4. ใส่ใจในการปฏิบัติเมื่อน้อมรับเอาโพธิจิตไว้อย่างมั่นคงบุตรแห่งพระชินสี ควรใส่ใจและตื่นตัวในการฝึกตนอยู่เป็นประจำหากได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามนั่นย่อมเป็นการหลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลแล้วข้าพเจ้าจะได้รับชะตากรรมเช่นไรโพธิสัตว์ผู้ละทิ้งความตั้งใจของตน ยอมถือเป็นการตกต่ำที่สุดเขาย่อมเป็นผู้ทำลายสวัสดิภาพของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วทุกพระองค์ต่างสแสวงหาสรรพสัตว์เพื่อปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์แต่ด้วยบาปกรรมความผิดพลาดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้า จึงมิได้อยู่ในดินแดนแห่งพุท ธ, ธะทั้งหลายเหล่านั้นหากข้าพเจ้ายังคงเป็นอยู่เช่นนั้นหากข้าพเจ้ายังคงเป็นอยู่เช่นนี้ข้าพเจ้าก็ย่อมต้องกลับมาเกิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพพแห่งความทุกข์ทรมานอันเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยความตายการนองเลือด การทำลายล้างและสิ่งต่างๆในทำนองเดียวกันเมื่อใดเล่าที่ข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้พบสิ่งที่ยากยิ่งเหล่านี้อีกการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการมีศรัทธาอย่างมั่นคงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการที่มีสมรรถภาพที่จะปฏิบัติธรรมได้ รวมทั้งการมีสุขภาพแข็งแรงมีความสามารถในการดำรงชีวิตและปราศจากภัยพิบัติชีวิตนั้นสั้นนักและเป็นสิ่งหลอกลวงร่างกายก็เป็นสิ่งที่ยืมเขามาหากข้าพเจ้าไม่เร่งปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่ยังสามารถทำได้แล้วข้าพเจ้าจะทำอะไรได้ อย่าเมื่อข้าพเจ้าวุ่นวายสับสนและจมไปกับความทุกข์แห่งสังสารวัฏเมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสเช่นนี้หากข้าพเจ้ายังไม่ยอมปฏิบัติธรรมนั่นย่อมไม่มีการหลอกลวงใดๆจะยิ่งกว่านี้อีกและนั่นย่อมไม่มีความหลงใดที่ยิ่งกว่านี้เช่นกัน หากข้าพเจ้ารู้เช่นนี้แล้วยังคงปล่อยตัวให้เกียรติคลานอยู่อีกยามเมื่อยมมทูตมานำตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมถูกส่งลงไปทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในนรกศัตรูคือตัญหาและโทสะหาได้มีแขนขาไม่มันไม่ได้มีความกล้าหาญหรือฉลาดหลักแหลมใดๆ แล้วมันจับเราเป็นทาสได้อย่างไรมันซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้ามันทำให้ข้าพเจ้าพี่นาดย่อยยับในขณะเดียวกันมันก็ยิ่งปักหลักมั่นคงในตัวข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้โกรธต่อความอดกลั้นอันไม่เหมาะสมและน่าอับอายเช่นนี้ ไม่มีศัตรูใดที่จะคงอยู่ยืนยาวโดยหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ได้เท่ากับกิเลสทุกๆุกคนต่างชื่นชอบเมื่อประสบกับความเมตตากรุณาแต่เมื่อหลงไปยกย่องกิเลสมันกลับจะนำพาไปสู่ความทุกข์อันมากมายข้าพเจ้า จะหลงเพลิดเพลินยินดีในสังสารวัตรได้อย่างไรในขณะที่ศัตรูถาวรผู้มีอายุยืนยาวผู้เป็นสาเหตุเพียงประการเดียวของกระแสแห่งความทุกข์ทั้งปวงยังคงฝังจมอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าโดยมิได้ยำเกรงข้าพเจ้าจะมีความสุขได้อย่างไรหากผู้คุมคุกแห่งสังสารวัตร ฆาตกรหรือเพชฌฆาตแห่งนรกยังคงอยู่ในกรงขังแห่งตัณหาที่ฝังอยู่ในจิตใจข้าพเจ้าดังนั้นตราบใดที่ศัตรูของข้าพเจ้ายังไม่ถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าจะไม่ยอมล้มเลิกภารกิจนี้เช่นเดียวกับผู้เย่อหยิ่งทนงตน ที่โกรธแค้นต่อคนที่มาดูถูกเหยีดย้มตนแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะไม่ยอมหลับนอนจนกว่าจะได้กำจัดมันผู้นั้นเสียมันจะเป็นอะไรเล่าเมื่อข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกำจัดศัตรูตามธรรมชาติอันเป็นเหตุแห่งทุกทั้งปวงของข้าพเจ้ามาตลอดวันนี้แม้ข้าพเจ้า จะถูกกลุ้มรุมด้วยทุกขมากมายทำไมข้าพเจ้าจะต้องเหนื่อยอ่อนหรือท้อถอยข้าพเจ้าจะยืนหยัดในภารกิจนี้เหนียวแน่นอยู่กับการแก้แค้นข้าพเจ้าจะประกาศสงครามกับกิเลส ท, ทุกๆตัวยกเว้นกิเลส ท, ที่ใช้กำจัดกิเลสแม้อวัยวะภายในของข้าพเจ้า จะทะลักออกมาแม้หัวข้าพเจ้าจะขาดจากคอแต่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันก้มหัวให้กับกิเลสศัตรูของข้าพเจ้าแม้จะถูกขับไล่ไปแต่ศัตรูก็มักจะหาที่กบดานเพื่อเสริมสร้างกําลังของตนให้กลับคืนมาแต่สําหรับกิเลสข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น เมื่อกิเลส ท, ที่เคยฝังอยู่ในใจของข้าพเจ้าถูกขับไล่ไปมันมักจะไปหลบซ่อนกบดานณนะที่ใดที่หนึ่งเพื่อกลับมาอย่าเมื่อข้าพเจ้าเหนื่อยล้าและอ่อนกำลังความเพียรแต่ความจริงกิเลสนั้นอ่อนแอยิ่งมันจะถูกกำจัดไปได้หมดสิ้นก็ด้วยตาแห่งปัญญากิเลส ไม่ได้อยู่ในอายตนะภายนอกและไม่ได้อยู่ในอายตนะภายในและไม่ได้อยู่ในช่องว่างระหว่างและก็ไม่ได้อยู่ในที่อื่นนอกจากนี้แล้วมันมีอยู่ได้อย่างไรแล้วมันเขย่าโลกได้อย่างไรทั้งหมดล้วนเป็นเพียงมายาจงอิสระจากจิตใจที่หวั่นไหว เพราะบ่มความเพียรเพื่อจเจริญปัญญาอันยิ่งแล้วเธอจะได้ไม่ต้องทรมานตนในนรกโดยไร้เหตุผลอีกต่อไปเมื่อได้พิจารณามาเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนดังกล่าวให้มากบุคคลจะหายจากโรค และกลับมาสู่สุขภาพแข็งแรงตามเดิมได้อย่างไรหากไม่ทำตามคำแนะนำของแพทย์